บัณฑิตจกแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปปัจจัยแห่งรูปที่ได้ศึกษามาแล้วโดยลำดับนั้นคือเริ่มด้วยอวิชชาความไม่รู้ตัณหาได้แก่อาการที่จิตทะเยอทะยานอยากในอารมณ์ต่างๆอุปาทานคือการที่จิตเข้าไปยึดมั่นถือมั่น ในสิ่งท่างหลายด้วยอำนาจของกิเลสนั้นๆและกรรมคือเจตนาที่บุคคลกระทาลงไปด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจปัจจัยเหล่านี้เป็นได้ทั้งส่วนที่เป็นอดีตและส่วนที่เป็นปัจจุบันแต่มีปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งคืออาหารเป็นตัวหล่อเลี้ยงเป็นตัวสืบต่อให้รูปนั้นๆดํารงอยู่ ไม่ว่าจะเป็นรูปของสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามแต่ว่าอาหารนั้นทางพระพุทธศาสนาได้แสดงจำแนกเอาไว้ถึงสี่ประการด้วยกันโดยหลักการใหญ่ๆแล้วพระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่า ah สเบสัตตาอาหารรัตติกาสัตว์ทั้งหลายจะดำรงชีวิตอยู่ได้ก็ด้วยอาหารแต่งนี้ อาหารคืออะไรอาหารคือสิ่งที่นำผลมาซึ่งหมายความว่าการเกี่ยวข้องกับอะไรก็ตามถ้าก่อให้เกิดผลขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นก็ชื่อว่าเป็นอาหารในประเภทนั้นๆพระพุทธเจ้าทรงจำแนกแสดงออกไปเป็นสี่ประเภทด้วยกันประเภทแรกเรียกว่า กาวลิงการอาหารคืออาหารที่บุคคลพึงดื่มพึงลิ้มเข้าไปทางลําคออาหารประเภทนี้เมื่อบุคคลดื่มลิ้มเข้าไปแล้วก็จะนําผลมาในตอนแรกคือความรู้รสของอาหารเหล่านั้นว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มอย่างไรผลประการต่อไปก็คือเวทนาคือรู้สึกว่าดีหรือไม่ดี และต่อจากนั้นก็จะเป็นการหล่อเลี้ยงบำรุงร่างกายของบุคคลให้มีความแข็งแรงเจริญเติบโตแต่ถ้าหากว่าสิ่งที่นำเข้าไปนั้นเกิดเป็นพิษในตัวของมันเองก็เปลี่ยนเวทนาออกไปในรูปของทุกขเวทนาและนำผลคือความทุพพลภาพความเปลี่ยนแปลงทางด้านกายให้บังเกิดขึ้น แต่โดยความหมายแล้วก็สรุปเป็นอาหารเหมือนกันอาหารประเภทที่สองเรียกว่าผัดสาหารอาหารคือผัดสัตว์ได้แก่การประจวบหรือการกระทบกันระหว่างอายตนะภายในและอายตนะภายนอกซึ่งจำแนกออกเป็นอย่างละหกฝ่ายด้วยกันหกด้วยกันคืออายตนะภายใน มีตาหูจมูกลิ้นกายใจยตนาภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะและธรร ม, มารมซึ่งก็เป็นคู่คู่กันมีตาเห็นรูปเป็นต้นต่อจากนั้นก็จะเกิดออกมาเป็นรูปของวิญญาณคือความรู้รูปรู้เสียงเป็นต้นและพระองค์ประกอบทั้งสามประการนี้คือยตนาภายนัยภายนอกและวิญญาณท่านเรียกว่าสัมผัส สัมผัสก็คือการกระทบตัวสัมผัสเองนั้นที่จริงก็เป็นตัวกลางๆเฉพาะตัวกระทบอาจจะเป็นแปรออกมาเป็นอย่างอื่นก็ได้คือเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้เป็นกลางๆก็ได้ขึ้นมาเมื่อบุคคลนำไปปรุงแต่งหรือตัวเหตุได้เกิดปัจจัยเหล่านั้นเป็นกิเลสหรือเป็นธรรมะดังนั้นตัวสัมผัส หรือผัสสาหารก็จะแนกออกไปเป็นหกเช่นเดียวกันคือการกระทบทางตาการกระทบทางหูกระทบทางจมูกกระทบทางลิ้นกระทบทางกายและกระทบทางใจตราบใดที่ยังไม่มีสัมผัสตัวเวทนาคือความสวยอารมณ์ว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ก็จะไม่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผัสสหานอาหารคือผัสสะ นำผลที่เด่นชัดออกมาคราบแรกก็คือเรื่องของเวทนาได้แก่การรู้ว่าสุขว่ถทุกข์แล้วยินดีหรือไม่ยินดีในผลซึ่งเกิดขึ้นนั้ น, น, นอาหารประการต่อไปเรียกว่ามโนสัญเจตนาหารอาหารคือมโนสัญเจตนาคำว่ามโนสัญเจตนาแปลว่าความจงใจคิด ซึ่งในกรณีนี้ผู้ปฏิบัติธรรมะจะเห็นได้ว่าแต่ละครั้งแต่ละคราวนั้นบุคคลมีความจงใจคิดคือคิดสิ่งที่มีอยู่ภายในใจเมื่อคิดถึงเรื่องอะไรก็นำผลในเรื่องนั้นมาจึนเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจถ้าหากว่าจงใจคิดในเรื่องดีอาจจะก่อให้เกิดเป็นดัญหาอุปาทานขึ้นมาได้ อาหากว่าจงใจคิดในเรื่องที่ไม่ดีขึ้นมาเพราะฉะนั้นมโนสัญเจตนาอาหารก็คือความคิดความเพลิดเพลินอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายหรือบางครั้งแม้แต่ความคิดในเรื่องที่ชวนให้สลดตด ถ, ถูกแต่ทั้งสองฝ่ายก็เป็นอาหารคือนำผลมาทั้งทางด้านบวกและด้านลบมโนสัญเจตนาอาหารอีกในญะหนึ่ง ซึ่งยังไม่มีการพิสูจน์การว่าจริงหรือไม่จริงท่านบอกไวในอัตกถาว่าการที่สัตว์บางจำพวกวางฟองไข่ทิ้งไว้ตามปกติแล้วไข่นั้นถ้าเป็นไข่ของสัตว์อื่นก็น่าจะตายเช่นพวกจระเข้พวกเต่าเป็นต้นที่วางไข่ทิ้งไว้แล้วแม่ก็ไม่ได้กกฟองไข่ เตยใสตัวแม่มีเจตนาที่จะให้ไข่นั้นแตกออกมาเป็นลูกไข่เหล่านั้นจึงออกมาเป็นลูกแล้วก็สืบพืชพันธุ์สัตว์ชนิดนี้ออกมาได้เป็นอันมากท่านยังอธิบายต่อไปว่าถ้าแม่ตายซึก่อนก่อนที่ไข่จะแตกออกมาไข่เหล่านั้นจะไม่ฟักออกมาเป็นตัวเรื่องนี้เป็นเพียงท่านแสดงไว้แต่ไม่มีใครศึกษาพิสูจน์ทดสอบว่าจริงหรือไม่จริง ประการที่สำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็คือความจงใจคิดขึ้นมาดังที่กล่าวแล้วก็นำผลที่สืบต่อกันมาโดยลำดับชั้นแรกก็ออกมารูปของความรู้แล้วก็เปลี่ยนเป็นเวทนาคือความสวยอารมณ์อีกอาหารประการต่อไปคือวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณวิญญาณในที่นี้ท่านจำแนกออกไป สองประเภทด้วยกันประเภทแรกคือวิญญาณธาตุได้แก่ธาตุรูซึ่งเป็นตัวพลังงานที่เข้ามาผสมกับสผสมประสานกับธาตุที่เป็นวัตถุคือดินน้ำลมไฟและอากาศรวมกันเป็นธาตุถกผสมกันก็กลายเป็นชีวิตสัตว์ชีวิตของบุคคลทั้งหลายอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าชะทาตุโยปุริโส ดูกอภิกษุทั้งหลายบุรุษบุคคล น, นี้มีธาตุหกซึ่งก็หมายความว่าธาตุที่เป็นวัตถุห้าธาตุและธาตุที่เป็นพลังงานหรือเป็นนามหนึ่งธาตุคือวิญญาณธ า, าตุตัววิญญาณธ า, าตุนี้ก็นําผลมาเวลาผสมกับธาตุที่เป็นวัตถุทั้งห้านั้นก็ก่อให้เกิดเป็นชีวิตเป็นอายตนะ เป็นนามเป็นรูปเป็นอายตนะขึ้นมาเมื่อมีอายตนะมันก็กลายเป็นวิญญาณอีกอย่างหนึง่งที่เรียกว่าวิญญาณนัขันคือวิญญาณในขันห้านั้นเองที่เราพูดกันว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณนัขันเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากวิญญาณานธาตุแต่ก็ไม่ใช่ตัวเดียวกันในขณะเดียวกันก็จะแยกออกไปโดยสิ้นเชิงไม่ได้ ก็มีความเกี่ยวเนื่องกันวิญญาณอาคารท่านก็จำแนกเอาไว้เป็นหกเหมือนกันตามประเภทของอายตนะภายในและอายตนะภายนอกอย่างที่กล่าวแล้วท่านก็เรียกชื่อไปตามอายตนะภายในเช่นว่าจักขุวิญญาณความรู้ทางตาโสตะวิญญาณความรู้ทางหูจนถึงกับมโนวิญญาณความรู้ทางใจ สรุปแล้วทั้งสามประเภทนั้นเป็นอาหารกายเสี้ยหนึ่งเป็นอาหารใจเสี้ยสามแต่ก็มีผลกระทบถึงกันได้คือถ้าอาหารกายที่ออกมันดีก็เป็นผลให้จิตใจสบายได้อาหารใจที่ได้รับมันดีก็มีผลต่อสุขภาพทางกายได้เหมือนกันดังนั้นพระภูมีพระภาคเจ้า เมื่อทรงแสดงบางคราวก็ทรงแสดงรูปของความเปลี่ยนแปลงที่อิงอาศัยเหตุปัจจัยขึ้นมาโดยลำดับในชั้นของการแสดงปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นหลักธรรมที่สำคัญของพระองค์เองบางครั้งก็ตัดที่ตรงนี้คือเริ่มมาที่อาหารแต่ละข้อเจ็นว่าอาหารแต่ละอย่างนั้นจะนำผลมาคือเวทนา ความสวยอารมณ์ถ้าหากว่าพอใจยินดีชอบใจก็ออกมาในรูปของสุขเวทนาถ้าหากยินดีถ้ า, ากว่าไม่ยินดีไม่พอใจไม่ชอบใจก็นำผลคือทุกขเวทนามาถ้ า, าเป็นกลางกลางคือไม่เปลี่ยนแปลงไปในแนวทั้งสองดังกล่าวแล้วก็จะเป็นอัทุกขมาสุขเวทนาพอกลายเป็นเวทนาต่อไปก็จะเป็นตันหาในอารมณ์เหล่านั้น เช่นกาวะลิงกราหานสมมติว่าอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งที่บุคคลไม่เคยรับประทานมาก่อนแต่วันนั้นไปรับประทานเข้าในชั้นแรกก็เกิดเป็นระสะวิญญาณคือความรู้รส ช, ชิวหาวิญญาณคือความรู้รสในตอนต่อไปก็จอกมาเป็นรูปของผัสสะคือการกระทบ แล้วจะออกมาเป็นเวทนาคือความพอใจในความอริสอร่อยของอาหารนั้นเป็นการเพราะเชื้อขึ้นในคราวแรกทั้งๆ ท, ที่ตนไม่เคยรับประทานอาหารชนิดนั้นมาก่อนเนื่องจากเป็นสุขเวทนาปรากฏขึ้นหรือเกิดชอบในอาหารนั้นก็กลายเป็นตันหาในรสของอาหารนั้นหลังจะรับประทานไปแล้วเชื้อของเวทนาและเชื้อตันหาในอาหารนั้นยังมีอยู่ โอกาสต่อไปก็จะแสวงหารถของอาหารนั้นอีกทีนี้เมื่อรับประทานก็เรียกว่าถูกปาก <im> ก็กลายเป็นอุปทาน <im> คือยึดติดในเรื่องเหล่านั้นอย่างํำนองที่คนไทยยึดติดในน้ปาปลาคือถ้าขาดน้าปราไปก็ขาดคล้ายๆกับว่ามันมีอะไรบกพร่องไปซึ่งถ้าถ้าหากว่า บุคคลที่ไม่มีอุปาทานอยู่ในเรื่องนี้ไม่มีก็ได้ดังนั้นเป็นปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องถึงกันบางครั้งบางคราวพวกเหล่านี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆแต่สายเชื้อที่มีอยู่ภายในใจก่อนแล้วคือเชื้อกิเลสเชื้อตัณหาที่มีอยู่ก่อนพวกนี้ก็ได้เชื้อบวกเพิ่มขึ้น ความเปลี่ยนแปลงทางจิตในสายนี้ก็เกิดขึ้นโดยลําดับออกมาทั้งในด้านของนามในรูปในด้านผัสสะอาหารอาหารคือผัสสะก็มีลักษณะเช่นเดียวกันผัสสะนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาตรงอยู่แล้วพอเกิดเวทนาถ้าหากว่าผัสสะคือสิ่งที่กระทบนั้นเป็นเรื่องดีก็ออกมาเป็นสุขเวทนาไม่ดีก็ออกมาเป็นทุกขเวทนาดังกลาง่าว ต่อไปก็จะกลายเป็นตัดหาในอารมณ์เหล่านั้นถ้าดีก็เกิดเป็นการมาตัญหาภาวะตัญหาขึ้นมาคืออยากได้อยากเป็นในเรื่องเหล่านั้นทางไม่ดีก็ออกมาในรูปของปฏิเสธเป็นวิภาวะตัญหาไปและในที่สุดก็กลายเป็นอุ ป, ปาทานคือปักใจไปไลยข้อนี้จะเห็นได้ว่าในกรณีที่ความรู้สึกในทางลบต่ออารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ตนสัมผัสนั้น เมื่อเกิดขึ้นในคราวแรกมันกเก็บไว้ภายในใจเวลาต่อไปก็ปฏิเสธอีกถ้าไปเห็นอารมณ์เหล่านั้นดังนั้นความเปลี่ยนแปลงทางจิตมันก็หมุนในลักษณะที่เป็นวงกลมคือจากรูปอาจจะเปลี่ยนเป็นนามจากนามอาจจะเปลี่ยนเป็นรูปขึ้นมาในแต่ละวงของเรื่องเหล่านั้นตัวมโนสัญเจตนาอาหารอาหารคือมโนสัญเจตนา ได้แก่ความจงใจที่เกิดขึ้นภายในจิตหรือความเหนียวนึกถึงอารมณ์ต่างๆมันเป็นอาหารใจอย่างหนึ่งของคนคนนี้สังเกตได้ว่าอารมณ์อะไรที่คิดแล้วสบายมีความเพลิดเพลินมีความแช่มชื่นปรากฏขึ้นภายในใจใจก็จะเหนียวนึกถึงอารมณ์เหล่านั้นมากพอเหนียวนึกไปมันก็เกิดเป็นสุขเวทนา ต่อไปก็เปลี่ยนเป็นตัณหาเป็นอุปาทานอีกในเรื่องวิญญาณก็มีลักษณะอย่างนั้นดังนั้นบางครั้งบางคราวที่สรงแสดงทรงแสดงในรูปของอาหารทั้งหมดนั้นมันเป็นปัจจัยของการแลกกันแล้วก็สืบต่อกันตัณหาอุปาทานพร้อมที่จะเกิดในเรื่องตัณหาเหล่านั้นแต่ละจุดและผลที่เกิดขึ้นมาจากอาหารเหล่านั้นก็เกิดขึ้นได้ทุกจุด ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามาธรรมค้อนี้พึงดูตัวอย่างที่ทรงแสดงแบบพิสดารในสายเกิดของตันหาหรือสายเกิดของสมุทัยที่เป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์ทรงเริ่มมาจากตาเห็นรูปผูกฟังเสียงเป็นต้นซึ่งเริ่มมาจากตัววิญญาณอาหารก่อนแต่วนนขณะเดียวกันจะเห็นได้ว่าพวก คิวหาวิญญาณนั้นก็ต้องอาศัยการสัมผัสกับลิ้นวิญญาณอาหารบางอย่างคืออาหารทางวิญญาณบางอย่างนั้นจึงเกิดขึ้นมาจากการกลืนกินดื่มลิ้มเข้าไปแล้วก็กลายเป็นผัสสาหารอาหารคือการกระทบแล้วใจก็ไปเก็บคุณภาพหรือการปฏิเสธในอาหารเหล่านั้นเอาไว้ใจก็ไปเหนียวนึกเป็นมโนสัญเจตนาหาัน ดังนั้นวัตถุอันเดียวกันยกตัวอย่างเช่นอาหารจานเดียวก็พร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นอาหารได้ทั้งสี่อย่างคือเริ่มคราวแรกเป็นอาหารที่ดื่มลิ้มเข้าไปต่อมาก็ออกมาเป็นวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณแล้วก็กลายเป็นผัสสอาหารนำมันเดี่ยวนึกเป็นมโนสัญเจตนาหารไอตัวกิเลสเองก็พร้อมที่จะเกิดในแต่ละจุดของอาหารเหล่านั้น การที่ทรงแสดงว่าโดยยกตัวอย่างตัณหาและทรงแสดงไว้ว่าตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่รูปที่เสียงที่กลิ่นที่รสที่ผภัณฑ์ที่ธรรมารกโดยเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยเกิดที่บิณญาณทั้งหเกิดที่สัมผัสทั้งหพต่อมาสัมผัสทั้งหก็เกิดได้ที่เวทนาทั้งหเมื่อเกิดมาที่เวทนาใจก็ไปจำเอาไว้ ไปเก็บเรื่องเหล่านั้นไว้ภายในใจนี่สุขนี่ดีนี่ทุกข์นี่ไม่ดีก็จำเอาไว้ในที่สุดมันก็เกิดสัญเจตนาในตรงนี้เองตร ง, ตรงสัญญาคือความจำํำก็ไปจํารูปของอารมณ์เหล่านั้นไว้ภายในใจิตจิตก็จะเป็นเหนียวนึกก็เป็นสัญเจตนาคือความจงใจตัญหามันก็เกิดขึ้นมาตรงนี้ได้ บางครั้งไอ้ความอยากเมื่อจงใจคิดแล้วมันเกิดจากตัณหาก็เกิดเพราะตัณหาได้ข้อนี้จะเห็นว่าเช่นตัณหาในอย่างหนึ่งก็อาศัยตัณหาอย่างนั้นมันเกิดตัณหาอย่างอื่นได้ยกตัวอย่างเช่นต้องการรับประทานอาหารสักอย่างหนึ่งนี่ก็เป็นตัณหาอย่างหนึ่งทีนี้ก็อยากสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับตัณหาเหล่านั้นก็กลายเป็นตัณหาที่เกิดเพราะตัณหาสืบต่อกันไปโดยในอย่างนี้ บางคราวก็ออกมาในรูปของความวบิดเบหรือความสึกนึกถึงเรื่องเหล่านั้นความหยาบมันก็เกิดขึ้นอีกเวลานําไปตร่จองไปวิพากษ์วิจารณ์ไปคิดกว้างไกลออกไปตัณหาทั้งด้านรับและด้านปฏิเสธก็จะเกิดติดตามซึ่งแน่นอนทุกครั้งที่ความรู้สึกเหล่านั้นบังเกิดขึ้นก็ไปเพิ่มเชื้อคือความเข้มข้นของอวิชชาให้สูงขึ้น ภายในจิตใจของคนคร น, นี้ถ้าหากว่ามีการวิเคราะห์มีการตรวจสอบดูความเปลี่ยนแปลงในทางจิตนั้นบางคราวเป็นการเพิ่มขึ้นของกิเลสแทนที่จะเป็นการบรรเทากิเลสกรนี้พึงดูตัวอย่างว่าความรู้สึกบางอย่างซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่สาเหตุปัจจัยดังที่กล่าบมาแล้ว มันก็เกิดขึ้นเป็นการเพราะเชือ้อเป็นการสะสมไว้ในใจอยู่บ่อยบ่อยนานข้าวมันก็ออกมาในรูปนั้นนั้นเช่นว่าศึกษาปฏิบัติธรรมะมาเป็นเวลานานรู้โทษของมานะรู้โทษของตัหา ร, รู้โทษของอุปาทานรู้โทษของชิติกันดีแล้วหรือแม้แต่เห็นความเปลี่ยนแปลงของขันธ์ธาตุอายตนะต่างว่า เป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมดาเท่านั้นเองเป็นกระบวนการธรรมชาติที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปในเชิงรูปธรรมนั้นบุคคลยอมรับแล้วก็เห็นเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงในเชิงนา ม, มาธรรมเฉพาะฝ่ายที่เป็นอกุศลก็รู้โทษของเรื่องเหล่านั้นจ่แต่กิเลสบางอย่างมันเพิ่มขึ้นตามความเจริญเติบโตของร่างกายซึ่งว่าจริงก็ควรจะลดไป แต่เนื่องจากการเกี่ยวข้องกับอาหารขาดหลักในการพินิษพิจารณาจึงเพาะเชื้อของตันหาขึ้นมาโดยลําดับเชื้อตันหาสูงขึ้นเชื้อปาทานสูงขึ้นเชื้อของอวิชชาก็ต้องสูงขึ้นตามไปตอนนี้ตอนนั้นถ้าหากว่ามีการตัดเส้นในช่วงใดช่วงหนึ่งบ้างเช่นตัดเส้นในช่วงเวทนาไม่ปรุงคิดไม่คิดปรุงต่อก็หยุดตันหาไว้ หรือเกิดตัญหาขึ้นมาแล้วก็วางเที่ยงไม่ยึดหรือแม้แต่ยึดแล้วก็ละก็วางก็ปล่อยก็คลายเชื่อวิชาก็ไม่เข้มข้นสูงนะักการปฏิบัติจึงจำเป็นจะต้องมีตัวสติสามัญชัญยะระลึกทันว่าอะไรเป็นอะไรตรงไหนควรจะตัดกันใช้บ้างคันนี้พึ่งดูตัวอย่างว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตามวัยตามอายุนั้น ทั้งทั้งที่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเห็นว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอยู่แล้วแต่ก็จริงบางครั้งความโลภในสิ่งของต่างๆก็ยังไม่หยุดแล้วอาจจะเพิ่มขึ้นตามแนวที่ทรงแสดงมาว่าโพโนพมิกามันเกิดก่อให้เกิดความมีความเป็นที่สืบเนื่องกันไปเรื่อยไม่ยอมหยุดสักทีหนึ่งทั้งทั้งที่รู้ว่าไม่เท่าไหร่ก็ตายแล้วร่างกายจะต้องแตกทาลายไปเรามีความตายเป็นธรรมดา แต่ใจก็ยังสายไปทีนี้ในด้านมานะความถือตัวถือตนก็เหมือนกันนำอะไรมาเหนี่ยวมานึกมากระตุ้นให้เป็นเหตุเกิดมานะขึ้นมาได้ทั้งนั้นอาศัยวัยอายุบ้างอาศัยตำแหน่งการงานที่เคยผ่านมาบ้างบางครั้งตัวเองไม่เคยใหญ่เคยโตมาแต่ก็อ้างตำแหน่งของพ่อปู่ย่าตายายขึ้นมาบ้างเพื่อเป็นตัวเกิดมานะขึ้นมาได้ อันนี้มันเกิดมาจากอะไรบางอย่างเกิดมาจากโนสัญเจตนาหารคือการเหนียวนึกเอาเหนี่ยวนึกเอาบางครั้งต้องไปในอนดีตที่ไกลมากเพราะไม่มีพลังดันที่ให้เกิดมานะอาจจะปู่ทวดเคยเป็นอะไรมาสักคนหนึ่งเป็นใหญ่โตก็มากระตุ้นมาณตัวแล้วก็กลายเป็นการยกตนข่มท่านแต่ถ้าเกิดในชั้นของสัญญาคือความสานึก รู้สึกว่าเรามีบรรพบุรุษที่มีเกียรติประวัติอันดีงามจะต้องพยายามรักษาชื่อเสียงสกุลวงเอาไว้นั่นเป็นความดีแต่ถ้าเอามาเป็นการถือตัวคมบุคคลอื่นดูเ ม, มนบุคคลอื่นก็กลายเป็นการเพิ่มกิเลส ข, ขึ้นเพิ่มทั้งตัณหาเพิ่มทั้งอุปาทานแล้วก็เพิ่มทั้งตัววิชาแม้แต่ทิฏฐิคือความคิดเห็นความปักใจต่าง ที่ท่ากระจายออกไปโดยนัยะเป็นอันมากเช่นมาเราเป็นตนตนเป็นเราคือบางครั้งบางคราวนั้นแม้อะไรอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปมากแล้วแต่พวกความรู้สึกเหล่านี้กลับสูงขึ้นเพราะสูงขึ้นมาจากตัณหาจากอุปาทานแล้วเพิ่มความเข้มค้นให้แก่วิชาบางครั้งบางคราวอาจจะมีความรู้สึก เช่นเป็นสมภารเจ้าวัดก็อาจจะมีความรู้สึกว่าถ้าฉันตายไปแล้ววัดคงอยู่ไม่ได้หรือเป็นผู้บริหารก็มีความรู้สึกว่าฉันคือชาติชาติคือฉันถ้าฉันตายชาติคงล่มจมเป็นต้นนี่มันก็เกิดมาจากความหลงผิดความมืดบอดที่เก็บสะสมเชื้อเอาไว้มาโดยลําดับจากอาหารเป็นเหตุและจากตรงนี้เองเวลาทรงแสดงแบบวัตตจกักรคือการหมุนเวียน ในสังสารวัฏแต่เราถึงในช่วงของความคิดบุคคลก็จะเห็นได้ว่ามันเข้าในกฎของปฏิจจสมุปบาทไปได้คือเมื่อเป็นอาหารมันก็ออกมาในรูปเวทนาอย่างกล่าวแล้วเมื่อเวทนาก็เป็นปัจจัยก่อให้เกิดเป็นตัณหาพอมีตัณหาก็ก่อให้เกิดเป็นอุปาทานอุปาทานก็มีความมีความเป็นในลักษณะต่างๆในขณะอารมณ์นั้นๆในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดเป็นพบขึ้นตามสมควรแก่กรณีนั้นๆ ออกมาเป็นพวกก็มีเป็นชาติไม่ชาติก็มีชราบรรณโสกกะปิเทวทุกขะโทมานัตุปายาตไปเรื่อยแต่ละครั้งแต่ละคราวของกิเลสของความยึดติดของตัณหานั้นเป็นการเพราะเชื้อวิชากินอวิชาก็กลับหมุนเข้ามาหาวงเดิมอีกคือสร้างเป็นรูปของกรรมขึ้นมาพอสร้างกรรมทั้งอวิชาทั้งกรรมก็รวมตัวกันสร้างเป็นปฏิสนธิวิญญาณก่อตัวเป็นนามรูปหมุนกลับอีกทีนะเลยกลายเป็นวัตจักร ที่หมุนการไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งในการปฏิบัติเพื่อตัดนั้นในแง่ของการแสดงบางครั้งก็ส่งแสดงที่วิชาบ้างบางครั้งทรงแสดงที่การมบางครั้งแสดงที่อาหารที่เวทนาที่ตัณหาที่อุปาทานแต่จะแสดงที่อะไรก็ตามเมื่อตัดเขาชื่อว่าตัดเช่นส่งแสดงถึงการตัดตัณหาเป็นการวิญญติขบวนการตัณหาเมื่อไม่มีตัณหาก็ไม่มีพไม่มีภพก็ไม่มีชาติหรือไปตัดอยู่ที่อาหาร คือถือว่าให้หยุดเท่านั้นไม่ให้เป็นตัณหาในช่วงนั้นคือปล่อยวางที่ตัณหากับปล่อยวางที่เวทนาจะได้ปล่อยวางที่อาหารกับปล่อยวางที่เวทนาจะได้มันก็ไม่เป็นการเพิ่มเชื้อตัณหาเมื่อเมื่อเชื้อตัณหาไม่มีเชื้อปะทานก็ไม่มีเชื้อปะทานไม่มีไอเชื้อของภพก็ไม่มีตามไปด้วยก็กลายเป็นวัตจักรอีกปุ่มหนึ่งคือการหมุนเวียนอีกรูปหนึ่งแต่ในรูปของการดับกระแสของกิเลส เพราะงั้นจะเห็นได้ว่าตราบใดที่นามรูปปราบใดที่รูปยังมีวิชาตันหาอุปาทานกรรมอยู่แล้วการเวียนว่ายในสังสารวัตก็ต้องมีและรูปจะดำรงอยู่ได้เรื่อยไปถ้าหากว่ายังมีอาหารทั้งสี่ประเภทเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเอาไว้และจากอาหารนั้นก็จะเป็นตัวแปรหมุนกลับเข้าไปตั้งต้นกันใหม่ในลักษณะอย่างนี้ อย่างที่ทรงแสดงไว้ในมุมแคบๆว่ากิเลสกรรมวิบากเกิจะหมุนกันอยู่อย่างนี้เรื่อยไปเมื่อมีกิเลสก็เป็นเหตุทํากรรมทํากรรมก็รับวิบากแห่งกรรมรับวิบากแห่งกรรมแล้วกิเลสเกิดขึ้นเกิด ข, ขึ้นก็ทํากรรมทํากรรมก็รับวิบากอีกก็หมุนกันอยู่ในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งซึ่งนามรูปจึงเป็นอุบายยบีทีที่จะขัดเกลาจิตจากการเกาะติดของกิเลส ให้บรรเเาวบาบางลงไปจนถึงกับบรรุจุดหมายปลายทางในทางพระพุทธศาสนาตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป